สมมาสมบุรณสวัสดี อันมัมยังบุตสสะพังขวัตโตบุปพังคะนบการังกรโรมาเซนะโมทัสสพวัตโต ยังบุฏานนสติในยังกรโรมาเตโคาณาคาว A w h i o e แจดานาสุขะตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโรคกะวิตูเป็นผู้รู้โรคอย่างแจ่มแจ้งอานุตตาโรภุริสัธรรม ตาธาเดวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเอวะดาแะมัง คิดิงกโรมาเส มีพระองค์อันประตอบด้วยพระยานและพระการุณาอันบริสุทธิ์บพเทสยโยสุจันตตางกำลังวาสุโรพระองค์ได้ทรงกระทงชนี่ทีให้เบิกวาน บัวให้บานวานร์มังตมรนารงสิระสาขินิเงดังค า, า, า, า, ายภาเจ้าไว้พระจินนสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงร่บุโถโยสาพระปานินา สารานเคหมุตตัพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารานทนเกษมสูงสุดของศั์ทั้งหลายป่ามานุสติข้านังวันดานิทังสีเรณัา เจ้าว่ายพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผ่านเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกราบบุษฐานสมาสมาติสวามุทโทมมสาไมทิสโรข้าพระเจ้าเป็น ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสรภาเนื้อขาพระเจ้าหมูทัวดุขาสคาตากวิธาตาจาริธาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจาดลุกและทรงไว้ซึ่งประโยชน์ แก่ข้าพเจ้าบุพทาสานมียาเดมิสาิรังจีมิจางที่จังข้าพเจ้ามอบายกับไว วันดังโตหั่นริสามีพุทธเสวะสุโคทิธรรมข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากพระพุทธามซึ่งความปราศรูปดีของพระพุทธเจ้า นาทิเมสารานัญญาภูโทเมสารานวังสารานอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสาราอันประเสริฐของข้าพเจ้า เอเตนสัตวะเคนละเตยังสัตุสัตติด้วยการก่าบคำศัพท์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา พระสุทั้งที่า้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรควายบุณใดในภาบนี้สาเวทิอันตารายามีมเหสุขั ส, สเตชะส ผันตรา้คางวงยาได้มีแกข้าพระเจ้าด้วยเดงนุนน้ำบ่การยิ้มว่าจะยิ้มเทศสาวาด้วยกายก็ดีด้วยว่าจาก็ดีด้วยใจก็ดี บุพเทพบุคคลมังปกตังมยายังกรหน้าทีเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าบธโถปัิคานธ์วทยันตังขอพระพุทธเจ้าทรงงดสิ่งโทษด้วนเกินอนันต์การตะเลสังวริตุงวพุทเถ เพื่ อ, อาการสํารวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันดัมยังธรรมา น, นุสติในยังกโรมาเสสโส Yeah. ความดีพระผูมีพระภาคเจ้าตราสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมคราภาคตาปริยาติวิโหคเทรโยเห็นธรรมนันจแม่เป็นมาโคลปริยนและนิทาน พระโมคูโรกัตะนาตะทัศริทารีเป็นธรรมส่งไว้ซึ่งผู้ทรงทำจะทานตกไปสู่โลกที่ชั่วบวชนามธรรมาหาธรรมวายธรรมมรรคต ข้ฆาพระเจ้าว้ยพระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่อกระจัดเสียซึ่งความมืดทราโมโยโสาบบารนินางสารนังเขมมุตตมังพระธรรมดเป็นสาราอันกรเกษม ส, สูงสุดของศัก์ทั้งหลาย ดูติยานุสติทาดังวันดามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าว้พระธรรมนั้นขันเป็นที่น้ำแห่งความระลึกคงที่สองด้วยเสียงกรา อนมาสหาสติดารสวาธมโมมิสานิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นภาคของพระธรรมพระธรรมเป็นนายีอิสระเลื่อนข้าพระเจ้า รามโมดุคัสขะขากะวิธาตากะวิทาสเมพระธารมเป็นเรื่องกำจัดภูกและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมมาสานิยาเดมิสาริรังชีวิทาันธิดัง ขอ่าไวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันนันโตหันก็ได้ามีทางมาเสวะสุธรรม ม, ทมาทางข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่จากประพฤตธธรรมซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรม นาติเมสารานัญญาธรรมโมเมสารานวังสารณานือของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสาราอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเทนัสจะวะเทนวะเคยยังสาธุสาสนี ด้วยาการกราบคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงจเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดาธรมมาเมวันลมานุ่นาญภูญญาปสุตติทัข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระธรรม ได้คนฝ่ายบุญใดในบัดนี้สาบเร์พิอันตารายามิมหิสุขตาสตชสาอันบารายท้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเด็ดแห่งบุญนั้น กายหนาวจ า, ายวาเทตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรามีขุขามังปะกตังนอยายังกรรมหน้าที่เตียนนันใดที่ถ้าพราเจ้าข้าทำแล้วในประธรรม ข้ามโมกติทานหันตัวแกยันต์างขอพระธรรมจงหมดซึ่งโทษ ด, ดวงเกินอนันต์กาลันตะเรสรวริตรุงวัดธรรมมีเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในกานต่อไปหันดำยางสัง อนุสติในยังกัรโมาเซสุปาติปันโนทาคาวะโตสาวะคัซังโสงสาวของราภูมิพระภาคเจ้า ปฏปันโนพระทขาว่าตัววกาสังโฆทรงทราโวของพระผู้มีพระทาคเจ้าผู้ใดปธิบาตตรงแล้วยาญาปฏิปันโนพระเาว่าตัวสวกาสังโฆ สมสาโวของพระผูมีพร ะ, พาะภากพระผูใดปฏิบาตเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามิตปฏิปันโนภะค ะ, ะวะตสาวกัสสังโฆ ทรงสาบโอของระผูมีพระาภาคเจ้ามูไรปฏิบาสมควรแล้วยาดีนังได้แก่บุคนเหล่านี้คือจาตารพุริสายุขาณิยตพุริสาบุกลาคูแห่งบุรุษรสีคู นาเรียงทั่วบุรุษได้แป่บุรุษเอสสภาวาโตสวาจัสังโกนานแหละทรงทราบของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไรยยเป็นทรงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชา ปาหุนโยเป็นทรงควรแก่สตาราที่เขาจัดไว้ตอนรับดาหิ น, นโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอันชชลีกาณิโยเป็นผู้ที่บุคคนทั่วไปควรทำอันเชลี อโุตารังปุญญาทตตังโลกาัสสาติเปนเนื้อนาบุญของโลกไม่อีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดานนี้ฮันดัมเฮีงสังคาพิกิติงการมาเซ สาทามโชสุปฏิปาติคุณาดิย oh ุโตพระสง์ที ib at ib at ib ่เกิดโดยพระสักดธรรมพระบอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาพิทรออาญาภูคาราสังกเสโท เป็นโมแมงพระอริยอุปนันตเสด็จแตกคำพูดศีราะทีธรรมะปาวราศยกายติโตมีกายและทิ่กลางอาศัยธรรมมีสิ่เป็นต้นนัน พระเจ้าเหล่านั้นหันบริสุทธิ์ด้วยดีสามภยยสาบัตานินางสารานเกหมุตตะมังพระทรงมูใดเป็นสารอานาะเสษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย ปฏิญาณสติทานวันร า, ามิทังสิเรนังข้าพรเจ้าว่ายข้าสรงหูนั้นอ่านเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองที่สามด้วยเสียงเงาสังภาษศาสามิดาโซวาสังโภเมษ ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงค์พระสงฆ์เป็นนายมีสาะเนือข้าพเจ้าสัมโคตุกขาสัาขตาเจวิธาตาจริตาสามมพระสงฆ์เป็นเรื่องาการจัดรู และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสามภารสาหานมยาเดมิสริรันชีวิตอันธีดันข้าพเจ้ามอบ ก, กายทวายชีวิตนี้แด่พระสงค์ วันดานตหังจริสามี ส, มสงัาางฆาโสปฏิปันังข้าพระเจ้าผู้ว่อ ย, ยู่จากพระพุทธามซึง่าา ง, าา ง, าางความปฏิบัติดีของพระสงค์นาติเมชรานังอันยังสังขเมชรนังวารางัง สารณาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระทรงเป็นสารณาหันพระเสดิฐของข้าพระเจ้าเอเ อ, เอนาสัตวจา่าเจนาวาเธอยังสาธุสาสนิด้วยการกล่าวคำสตบ์นี้ ข้าพระเจ้าพึงจเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสามทางเมวัด น, นามานงในยังพุญยปัสสุตังอิท่าข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระสมได้ควรคว้บุญใดในบาทนี้ สาบเทตารายามีไม่สุตาสเทชสาอันตรายั้งพวงอยาได้มีแข่ข้าพระเจ้าด้วยเดแห่งบุญานกาเยนวัจเยวัจิตาสาว ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสางเเคคุก่กมมรรมปะกะทัางมา ย, ายังกรรมหน้าติเทียนันใดที่ข้าพระเจ้าขราทำแล้วในพระสง์สร้างข้อปติกันทัานตัวจะยังตาขอพระสง์งโจงอสงโทษ ด, ดวงเกินอันนั้น ตาลันตเรสังวริตุงวะสังเคเพื่ อ, อาการสำรวงระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปเปิดไปหน้าสามสิบสองหันดัมยังอภินาหาปัจเวคณาปาทั้งพนหามาเซ อารามคำโมลีเรามีความแก่เป็นธรรมดาชาตร่างอนาคต เ, เราะระล่วงพลความแก่ไปไม่ได้บายะทีท่ทำโมลี เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาบายาทิฆานาติโตเราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราณา ม, มุีเรามีความตายเป็นธรรมดามารน า, านาทานาติโต เราจะด้วงพ้นความตายไปไม่ได้สาเปอิเมติเยหิมะนาเปหินานาภาววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นไปทางต่างคือว่าจะ ร, รักรักจะของรักของจะเรินใจทัทง้งหลายทั้งปวง กรรมสโกนีเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมมาดายาโูเราเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมโยนีเราเป็นผู้มีกรรมเป็นกำรเนิดกรรมผันทู เราเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพานันการ ม, มาปฏิสาระเราเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริสามีเราจะกระทั่งกรรมอันใดไว้คาระยานาวาภาพะตังวา ดีหรือชั่วตาสาดยาโทภวิสามีราจะเป็นผู้รับผลของการนั้นเอวังามิยาตินันก็จะเวทิตพังราจะทิจาระนายามีทุกข์วันเด เปิดไปหน้าสามสิบเจ็ดแผ่นเมตาสัพเพสัตตาอันว่าสาทธังได้ทางปวงที่เป็นเพื่อนพู่ การเลยอาภัยาปัจจ اه ุตุจงเป็นสุเป็นสุเถอยญาณายทายาทเบียเบียนซึ่งการแล่กานเลย กรวดน้ำเย็นไม่ต้องแปลหัสนิยังวุธิสนาทิธานาคาทายโยภนณามาเซหิมีนาคุญยากรมเมนาอุปชาชยยาุโนตารา อาจารยุปการราชมาตาปิกาจยะตาสุริโยจันดิมาราชคุณวันตา i าราปิกาพระมามาราเกอินหโลกปาราเเวต ยาโมมิตาโมสสะจามจตาเวริกาิจสพเพสตาสุขีโหนตุพุญญาณิปัตานิมสุขงจักิทังเบทุขิปาเฟทโวมะท อิมินาปุญญากรรมนาอิมินาอุปิเสนาจะกคิปัญสุราเพตวากันทุปาดานเชตานังเทสันตาอิาธรรมายาวานิกานโมมัง นาสันต as an ุสาวราย์วันยะราชาโตอะเวคะเวโอชุติตังสติปัญญาสัมเโฆวิริยดินามาราภันตุโนกาสังกาตุนจาวิเยสุเม อุทาริภะวโรนาโตตัมโมนาโวรุตัโมนาโปะกาุทโธจสังโฆนาโตตารมนังเตโมานุภาเวนมารุกสังรันตุมากก ธรรมวัดเย็นก็สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นขรกาคาท้ายโยปนาหามาเซสามโบตโตติปาทางเซโตนิสินนาเต นะฮิ Ah. Uh -huh.